กาดำเนินชีวิตของคนเราเปลี่ยนเมื่อการเดินทางแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเส้นทางชีวิตเนี่ยไม่ค่อยเป็นเส้นตรงเท่าไหร่นะอ่าใหม่มาอาจะเป็นเส้นตรงแต่ว่าพอการเวลาผ่านไปนะเส้นทางชีวิตมันก็ค่อยๆนะเปลี่ยนไปส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิดทําไม่อ่า ขึ้นก็ลงคือถ้าไม่ไปในทางที่ดีก็ค่อยๆ ค, คล้อยไปสู่ทางที่ต่ำถ้ามีไม่มากนชีวิตที่เส้นทางชิงคนเราเนี่ยจะหักเหหรือว่าซิกแซกหักเหที่ว่านี้เนี่ยก็หมายความว่าเนี่ยเกิดจุดเปลี่ยนที่ทำให้ในชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับพกพันนะแต่ว่าก็เปลี่ยนเส้นทางจุดเปลี่ยนของหลายคนเนี่ย คือความทุกข์นะอย่างบางคนเนี่ยพอเจอปัญหาธุรกิจนะโดยเพราะอย่างช่วงเศรษฐกิจวิกฤตเนี่ยเมื่อปี40เนี่ย ห, หลายคนนี่ก็ถึงกับล้มละลายไปไหนไม่รอดไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะก็เลยหันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ทำให้เจอพระธรรม แต่ทำไมชีวิตเนี่น้อมไปในทางทางธรรมเห็นความสำคัญของการฝึกจิตเห็นคุณค่าของอริยทรัพย์มากกว่าสามัญญทรัพย์อาธุรกิจหลายคนชีวิตก็เปลี่ยนแปลงผกผันไปในลักษณะนั้นหรือบางคนเนี่ยนะเจ็บป่วยนะป่วยหนักชีวิตนี่ก็เปลี่ยนไปเลย อย่างมีนักธุรกิจนะคนหนึ่งเมื่อสัก20สิบปีที่แล้วเนี่ยดูแลกิจการโรงแรมเนี่ยมากมายหลายแห่งหมูลค่าก็เป็นหมื่นล้านไม่ใช่ดูแลแต่เป็นเจ้าของด้วยแล้ววันหนึ่งก็เกิด ป่วยหนักและพ่อตุ้นเป็นมะเร็งพอต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนี่แกก็เครียดมากนะเป็นห่วงโรงแรมเป็นห่วงธุรกิจอยากจะออกจากโรงพยาบาลไวๆแต่ก็ทำไม่ได้แต่รอยากที่อยู่ในโรงพยาบาลพักฟื้นเนี่ยหลายอาทิตย์เนี่ย จู่ๆก็ตัดสินใจนะขายโรงแรมอันดับหนึ่งของตัวเนี่ยซึ่งเป็นโรงแรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็เป็นเรียกว่าคุ้มทรัพย์เลยละขายทิ้งไปเลยแล้วก็พอจากโรงแรมออกจากโรงพยาบาลได้ไม่กี่เดือนก็ขายโรงแรมที่เหลือนในเครือเนี่ย จนเกือบหมดเลยหรือแค่โรงแรมเดียวเพื่อเป็นเครื่องประกอบอาชีพที่เขาทำอย่างนั้นเเพราะไม่ใช่หมดอะไรตายอยากกชีวิตนะหรือว่าหมดบังธุรกิจแต่ว่าเขามาได้คิดระวางที่นอนเปิดรีสโรงพยาบาลว่าคนเรารวยแค่ไหนเนี่ยตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเงินที่สะสมที่หามาเป็นพันล้านหมื่นล้าน เอาไปไม่ได้แม้แต่สตังแดงเดียวที่จริงเนี่ยแม้ยังไม่ตายเนี่ยในขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่มีเงินมากมายเนี่ยเขาก็ได้คิดว่าเนี่ยมีมากมายก็ไม่มีความสุขเหผลหนึ่งคือไม่มีเวลาใช้เงินแต่มันมากกว่านั้นนะคือมันต้องเหนื่อยยากการหาเงินหาทองหาเงินมากมายแต่ไม่ได้ใช้แถมตายไปแล้วเงินที่หามาด้วยความเหนื่อยยากก็เอา ไปกับตัวไม่ได้ให้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันทำให้เขาได้คุ้นคิดนะกับชีวิตจนกทั่งพบว่าพอได้แล้วละ่นะพอพอดีกว่าหลังนั้นเขาก็อันมาใช้พื้นที่เรียบง่ายนะอยู่มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำสวนบ้างเล่นกีฬาบ้างอ่านหนังสือบ้างโดยเฉพาะหนังสือธรรมะห น, ะนังสือของท่าจาร์พุทธทาสตัวกูของกูเนี่ย ตอนที่เขาอ่านที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้คิดนะแต่ถ้าไม่มีความเจ็บป่วยนะบางทีอ่านไปก็อาจจะยังไม่ได้คิดกระจ่างหรือว่าถึงกับเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างหักเหนยะอันนี้ก็ถือว่าเขานะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเนี่ย เรียกว่าแทบจะตรงข้ามไปเลยนะร้อยแปดสิบองศาเลยเพราะว่าได้พบกับสัจธรรมความจริงว่าความร่ำรวยมันไม่ใช่คำตอบของชีวิตแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะที่จุดเปลี่ยนชีวิตเนี่ยไม่ได้เกิดจากความทุกข์นะว่าไปมันเกิดจากความสุขด้วยซ้ำ หรืออาจจะเกิดขึ้นท่ามกลางความสำเร็จอาจจะเกิดจากการที่ได้มีความสุขอย่างเต็มที่แล้วพบว่ามันก็แค่นั้นแหละนะอย่างที่พูดไปเมื่อวานเนี่ยอย่างพระไตรบุฎพระโมคคัลาณะเนี่ยสมัยที่ท่านยังเป็นคารวาสเนี่ยก็ไม่ต่างจากมานุหนุ่มหรือคนหนุ่มทั่วไปนะ ที่มีเงินเนี่ยก็เพลินกับความสุขสนุกสนานหมดเวลาแบบการไปเที่ยวหรือว่าการชมหมอลาบเวลาไปก็ไปเป็นคู่แล้วนะั้นพร้อมกับบริษัทบริวารเรียกว่าคึกคักมากแต่มีวันหนึ่งเนี่ยได้ไปชมหมอรสบนะแต่ว่าพอชมแล้วเนี่ยไม่เกิดความรู้สึก สนุกสนุกสนานหรือว่าเพลิดเพลินยินดีอย่างเมื่อก่อนเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาคงมีความรู้สึก ข, ขึ้นมาว่าเนี่ยมันก็เท่านี้เองหรือก็เลยเปลี่ยนใจเลยนะจากเติมที่เอาแต่เที่ยวเล่นก็หันมาสนใจในเรื่องของชีวิตแล้วก็เลย ไปเรียนไปศึกษาธรรมเนี่ยจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะชื่อสัญชัยปริภาชกถึงแม้ว่าอาจารย์สัญชัยนิจจะไม่ได้ให้คำตอบนะที่ทั้งสองท่านเนี่ยคือโกลิตาและอุปติสามมานพเนี่ยพอใจแต่มันก็เป็นจุดนะ จุดหักเลี้ยวนะของของทั้งสองท่านเนี่ยที่ภายหลังก็ทำให้ได้มาพบกับพระพุทธเจา้าได้พบกับพระาศาสนาผ่านพระสัศชินะเห็นพระสัชชิเดินมาอย่างสงบสำรวมตัวท่านอุปติสสะหรือว่าพระไศริบุตรเนี่ยก็เกิดความสะดุดใจนะพอได้ถามว่าใครเป็นอาจารย์ของท่าน อาจารย์ของท่านสอนว่าอย่างไรพระสัชชิก็ตอบอย่างสั้นๆ น, นะว่าพระพระุทธเจ้าหรือพระพรหมศาสดานี่เป็นอาจารย์ของเราแล้วก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ของเรานี้สอนว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะพัตถาคตสอนเหตุแห่งธรรมและการดับแห่งธรรมนั้น พระมหาสมณามีโอวาทอย่างนี้เท่านี้แหละนะอุปติสาก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยเข้าใจเรื่องอนัตตานยอย่างแจ่มแจ้งจากคำสอนคำตอบสั้นๆแล้วก็ทำให้กุลิตะหรื อ, อพระมหามคลานะในเวลาต่อมาเนี่ยก็ได้หันมาสนใจ สมาทามพุทธศาสนาจนทั้งกายเป็นอัครส า, าวกที่สำคัญนะของพระพุทธเจ้าจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนี่ยของของทั้งสองท่านเนี่ยคือการที่ได้ไปดูมรรสศพนะทั้งที่มันให้ความสุขนะแต่ว่ามันไม่ให้ความรู้สึกพึงพอใจเหมือนเมื่อก่อน แต่ก่อนก็อาจจะตื่นเต้นกับมรรสพนแต่คราวนี้ก็คงมีความรู้สึกว่ามันเท่านี้เองเหรอดกิยความเบื่อหน่ายขึ้นมา ท, ทันทีเลยถ้ามีอีกท่านหนึ่งหน้าที่จุดเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเกิดจากการที่ได้เสพสุขนะอย่างเต็มที่แต่ไม่รู้สึกว่ามันเต็มอิ่มนะเต็มที่ก็จริงแต่ว่าไม่เต็มอิ่มไม่รู้สึกพึงพอใจอย่างแท้จริงอ่ะนะก็คือยศักดินะ ยศ ก, กุลบุตรวันนี้ร่ำรวยมากนะมีดามันดานี่ถึงกับสร้างปราศาสสามฤดูเนี่ยให้กับยศ ก, กุลบุตรผู้เป็นลูกชายทัานก็อยู่ท่ามกลางความสนุกสนานรื่นเริงนะกินเที่ยวเล่นดูดูการร้องรำทำเพลงเรียกว่า ไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเลยซึ่งสําหรับคนทั่วไปก็คงรู้สึกอิจฉานะกับชีวิตแบบนี้อยากจะมีชีวิตแบบนี้บ้างสําเริงสําราญเต็มที่แต่พราะสำเริงสําราญเต็มที่นี่แหละที่ทําให้ยัสสากุลุบพบว่ามันไม่ใช่นะความสุขแบบนี้วิธีชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่แถมเกิดความทุกข์เกิดความวับวุ่นจิตใจถึงกับออกจากปราสาท กลางดึกก็เดินไปอย่างไรจุดหมายที่นี่คุนวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอสับสนมากรู้ว่าไอาการเสพสุขหรือว่าความบันเทิงเริงรมนี่มนไม่ใช่คำตอบแต่ว่าก็ไม่รู้ทางเลือกอื่นจนกระทั่งบังเอิญได้พระพุทธเจ้านะที่ป่าอิบปตนาเบลกัทยวัน แลสุดทายก็ได้พบพระธรรมนจกนกระทั่งได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความทุกข์นะแต่พออยู่ท่ามกลางความสุขแล้วพบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ชีวิตจิตใจต้องการมันให้ความสุขก็จริงแต่ว่าไม่เต็มอิ่มแล้วก็สุดท้ายก็เกิดความเบื่อหน่าย แค่นี้เองหรือนะท่านไม่ได้พูดแบบนี้นะแต่ว่าความรู้สึกเป็นแบบนี้แล้วเมืองไทยเนี่ยเมื่ อ, อยี่สิกว่าปีก่อนก็มีนักธุรกิจคนนึงนะเดิมทีก็คงจะไม่ได้ตั้งใจจะมาทำธุรกิจหรอกแต่บังเอินธุรกิจของครอบครัวเนี่ยเป็นธุรกิจก่อสร้างเนี่ยนะเกิดปัญหาอย่างหนักขั้นวิกฤตนะ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปีสี่ศูนย์เนี่ยบริษัทนี้ไปกู้เงินดอนลลาร์มันเป็นจำนวนมากแต่พอค่างเงินบาทมันตกเนี่ย น, นี่สินมันก็เพิ่มไึ้เป็นเท่าตัวเลยพ่อนี้ไม่มีปัญญานะปลดนี้ก็ไปเรียกลูกชายนะจากเมือง น, นอกซึ่งกเ็เรียนๆคงกำลังเรียนอยู่เนี่ยมาทำหน้าที่ กอบกู้ธุรกิจแทนเป็นหนี้นี่หลายพันล้านนะนะแต่ว่าลูกชายนี่ก็สามารถที่จะกอบกู้ธุรกิจจนพ้นจากหนี้สินได้ในเวลาไม่กี่ปีแค่นี้ก็น่าจะพอใจนะแต่ก็ยังแกงเดินหน้าต่อไปนะจนทั้งธุรกิจนี่เจริญรุ่งเรือง มีมูลค่าในนับหมื่นล้านก็เรียกว่าเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จนะอย่างน่าทึ่งเพราะใช้เวลาไม่กี่ปีคิดดูนาจากหนี้สินเนี่ยที่เป็นเป็นจำนวนพันล้านนี่ปลดได้ในเวลาไม่นานแถมยังมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกนะนะเป็นระดับหมื่นล้านแต่อรอบหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยเบื่อหน่ายกับชีวิตเบื่อหน่ายกับ ความเป็นนักธุรกิจทั้งที่ประสบความสาเร็จอย่างมากนะแต่แกคงรู้สึกว่ามันเท่า น, นี้เองเหรอือหรืออย่างที่หลวงพ่อชานั้นใช้คาว่าเนี่ยมันก็แค่นั้นแหละเพราะว่าวันหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่านี่ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพว่าผมมันจะมีความหมายอะไรมันก็แค่เศรษฐีหมือล้านคนหนึ่ง การเป็นเศรษฐีหมื่นล้านนี่มันก็คงคงเคยเป็นความฝ่ายฝันของนักธุรกิจคนเนี่ยนะและอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะที่จะประสบความสําเร็จขนาดนั้นนะเพราะว่าธุรกิจที่ตัวเงดูแลจากพ่อนี่ก็มันก็เป็นหนี้เยอะอยู่แล้ว น, นะพันหลายพันล้านจำไมเป็นเศรษฐีหมื่นล้านนี่โอ้มันดูเหมือนห่างไกลามาก แล้วคงเป็นความใฝ่ฝันที่เขาคิดว่าถ้าเขาได้ไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาจะมีความสุขแต่พอไปถึงเขาจริงๆพวกมันไม่ใช่นนก็แค่นั้นแหละมองในแง่นหนึ่งก็ความรู้สึกคง ค, คล้ายกับพยศาศนะหรือยศกุลบุตรตอนที่ยังไม่ได้บวชหรือความรู้สึกคล้ายๆกับโกลิตาและอุปติสามานพ ที่เกิดความเบื่อหน่ายนะกับความสุขที่ตัวเองมีหรือที่ตัวเองได้เสพแต่มันแตกต่างกันนะเพราะว่ากุลิตาอุปติสสเนี่ยพอเห็นถึงข้อจำกัดของความสุขในทางกามเนี่ยหรือความสุขจากการเสพเนี่ยจะเปลี่ยนเข้าหามาทางธรรมเช่นเดียวกัยบยศ ก, กุลบุตรน แต่ว่านักธุรกิจคนนี้พอรู้ว่าไอ้ความเป็นนักธุรกิจมันมีความหมายไม่มากนะมันไม่ให้ความสุขอย่างเต็มอิ่ม แ, แทนที่จะเข้าหาธรรมะนี่แกออก็ไปทางอื่นนะไปหาทางเลือกอื่นคือไปเป็นนักการเมืองพอคิดว่าได้ไดเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตมีความหมายขึ้นมา หรือทำให้เกิดความพอใจแต่ว่าก็คงพบว่าเนี่ยมันไม่สามารถให้ความสุขอย่างแท้จริงแล้วคงคิดว่าถ้าฉันทำได้มากกว่านี้หรือเป็นมากกว่านี้ฉันจะมีความสุขเนี่ยเพราะนั้นก็เลยยังบวนอยู่กับการเมืองแต่นางทีได้ไปในรมนายรัฐ ม, มนตรีแล้วก็ยังยังรู้สึกว่า ถ้าได้มากกว่านี้ฉันน่าจะมีความสุขอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่มันทำให้ไม่สามารถที่จะพบกับคาตอบของช่วย อ, อย่างแท้จริงล้าคนที่เกิดความเบื่อหน่ายกับความสําเร็จนะแต่ท้าที่เป็นนักธุรกิจหมื่นล้านเนี่ยมันสามารถจะผลักให้คนคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็น นักบวชก็ได้นะถ้าว่าพบว่าเนี่ยอันนี้คือคำตอบของชีวิตที่ดีกว่าแต่ก็มีหลายคนนะที่คิดแบบนักธุรกิจคนนี้คือว่าในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วมันก็แค่นี้เองถ้าว่าไปต่อนะมันน่าจะมีความสุขมากกว่านี้นะเหมือนกับที่พูดเมื่อวานนะว่าเนี่ย ทั้งทั้งที่รู้ว่าการเที่ยอวอสุขสนุกสนานนะมันให้ความพอใจโชคราวแล้วก็รู้สึกขึ้นมาว่ามันก็เท่านี้เองแหละแต่ก็มีความหวังว่าถ้าได้มากกว่านี้นะหรือว่าได้ได้เสพยิ่งกว่านี้ฉันจะมีความสุขก็เลยเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายนี่ก็ไม่พบความสุขแั้ที บางทีกว่าจะพบว่าไอเส้นทางชีวิตของตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมันไม่ได้ให้คำตอบเนี่ยก็อาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้ ม, มีนักปราชญ์นะชาวอเมริกันคนหนึ่งนะชื่อทอโรเนี่ยเมื่อสักร้อยห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยแกเป็นคนที่ชอบความทรงบวิเวกนะ แล้วผู้ว่านาสนใจก็บอกว่าเนี่ยโศกนาฏกรรมของคนเราก็คือว่าการทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อที่จะหาปลาและเพราะว่าปลาที่หามาได้เนี่ยไม่ใช่ปลาที่ถึงต้องการนะถ้าคนคิดว่าเนี่ยถ้าฉันไม่ได้ปลาที่ต้องการฉันก็ต้องหาอีกหาอีกหาอีกแต่ว่าก็ยังนะไปในทิศทางเดิม ก็คือมีให้มากขึ้นมีให้มากขึ้นมีให้มากขึ้นเพราะคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยก็จะเจอความสุขที่แท้จริงที่เต็มอิ่มแต่การมีมากขึ้นมากขึ้นในสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่เคยให้คำตอบแบบคนเร า, าจนกว่าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนแบบหักเหเลยเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าอย่าง เจ้าชาสิทธัตถาก็ดีหรือว่าักสาวกุลบุตรก็ดีพวกเราเนี่ยที่จริงเนี่ยก็ไม่เป็นต้องรอนะใหะ้ถึงจุดที่ฝ่ฝันหรือว่าถึงความสำเร็จแล้วค่อยมาพบว่าเอ้ยมันแค่นี้เองหรือแล้วจึงค่อยหันมาเปลี่ยนนะมาสู่ความสุขที่มันประเสริฐกว่า หรือไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยเจอทุกอย่างหนักไม่ว่าจะล้มละลายหรือว่าป่วยเป็นบะเร็งแล้วจึงค่อยหันมาสนใจธรรมะอย่างนักธุรกิจคนที่ว่าในเมื่อเรารู้จากประสบการณ์ของผู้คนทั้งหลายแล้วเนี่ยเราไม่น่าจ ะ, ะเดินทางผิดซ้ำ เราจึงค่อยมาเดินทางถูกแต่ถ้าากว่าจะเดินทางผิดแล้วอย่างน้อยอยังรู้ว่าทางถูกคืออะไรก็ยังดีนะอย่างนักธุรกิจหมื่นล้านสองคนที่พูดถึงเนี่ยคำตอบเขานี่ไปคนละทางเลยนะคนหนึ่งพบว่าเป็นเศรษฐีหมื่นล้านก็แค่นั้นแหละ เขาขายธุรกิจหมดเลยขายโรงแรมแล้วก็ตัวเหลือแค่โรงแรมเดียวแล้วกลับมาใช้ที่สงบเรียบง่ายนะอีกคนหนึ่งพอรู้ว่าความเป็นนักธุรกิจมันก็มีความหมายแค่นี้เองเหรอก็กลับไปอีกทางหนึ่งนะี่เรียกว่าคนละทางกันเลยอันนี้เราก็ลองศึกษาดูนะว่า น่าพิจารณาว่าทางไหนนะนะที่มันจะทําให้เราได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงแล้วอย่างที่บอกนะเราก็ไม่ต้องรอให้ต้องเจอทุกข์ก่อนชีวิตถึงจะหักเหหรือต้องบรรลุ ถ, ถึงจุดความสําเร็จที่ใ ฟ, ฟ่ฝันที่ไฟฝันก่อนจะพบไม่ใช่เราจึงค่อยมาหันมาค่าธรรมะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเรากนะ็หันมาเข้าหา ความสงบทางจิตใจหันมาแสวงหาอริยทรัพย์ดีกว่าแล้วก็อาศัยจากบทเรียนของเราเองก็ได้นะว่า้เราก็ผ่านความสุขมาเยอะผ่านความสำเร็จมามากแต่มันก็ไม่เคยให้ความสุขความพอใจอย่างเต็มอิ่มสักทีถึงจุดหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเนี่ยเอ้ยพอได้แล้วแล้วก็หันมา หาความสงบในจิตใจไม่ได้หมายความว่าจะต้องทิ้งนะธุรกิจทิ้งการงานแต่ว่าไม่ได้คาดหวังความสุขจากมันว่าถ้าฉันมีเงินเยอะๆฉันมีความสำเร็จมากๆแล้วฉันจะมีความสุขก็อาจจะใช้สิ่งนั้นเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวนะใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แต่ขณะเดียวกันนะก็หันมาให้เวลากับการที่จะได้พบความสุข ภายในคนเราเนี่ยจิตใจลว้วนจิตใจก็ต้องการความสุขนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่พบความสุขภายในเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่ต้องไปแสวงหาหรือหยหาความสุขจากภายนอกจากเงินทองจากชื่อเสียงจากคำสรรเสริญเยินยอหรือจากอำนาจบริษัทบริวารถึงแม้ว่า เราจะรู้นะหรือจะพบว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่คำตอบแต่ถ้าเราไม่พบความสุขภายในนะมันก็อดไม่ได้ที่จะหวนกลับไปหาความสุขจากการมีการได้การเสดการครอบครองซึ่งมันให้สุขชั่วคราวนะแต่ว่าทุกยาวนานหรือเป็นสุขที่เจอไปด้วยทุกงนะั้นถ้าเรามารู้จัก กับความสงบภายในเนี่ยแล้วเราก็จะพบในเวลาไม่นานว่าโอ้มันก็คือความสุขนาะที่จิตของเราฝ่หานั่นเองการภาวนาเนี่ยการเจริญสติการทาสมาธิมันจะพาเราไปพบกับความสุขอย่างหนึ่งนะเรื่อสุขจากการละควไปเข้าใจว่าความสุขต้องเกิดจากการมีการได้เยอะๆ หรือเกิดจากการเสพมากๆแต่ว่าอย่างตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยนะทั้งที่มีได้ครอบครองะเสพมาเยอะก็ไม่มีความสุขอย่างแท้ จ, จริงจะมีความสุขหรือเข้าถึงความสุขอย่างแท้ จ, จริงก็ก็เพราะการละนี่แหละห ม, หมายก็าจละอารมณ์ที่เป็นอกุศล น, นะรู้จักปลดเปลื้องความเครียดความ ทุกความเศร้าวความโศกที่มันมารบกวนจิตใจรวมทั้งความฟุ้งซ่านอาศัยสติอาศัยสมาธิต่อไปมันก็ไปยิ่งกว่านั้นนะลดความยึดติดถือมั่นหรือลดในสิ่งที่เรียกว่าชาวบ้านเรียกว่าตัวกูของกูเนี่ยที่จริงตัวกูของกูมันไม่มีจริงนะแต่ว่ามันเป็นคำพูดที่ใช้แทนความยึดติดถือมั่น เมื่อเราลดละความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูมากเท่าไหร่เนี่ยหรือผู้อหญ่นี่คือลดความมีแค่ตัวมากเท่าไหร่เนี่ยใจก็จะเข้าถึงความสุขที่ลึกซึ้งมากขึ้นเป็นความสุขที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยจเจริญงอกงามหรือว่าพัฒนาสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นอันนี้แหละนะัที่มันจะทำให้คนเรานะพึงพอใจอย่างแท้จริงเป็นความพึงพอใจที่ไม่ได้ เกิดจากการยึดวันนี้กูนี่ของกูเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการที่ปรารถนาหยหาการเสพมากมายในความสุขที่พบได้จากกลางใจของเราเนี่ยทิ่รมรกก็เป็นความสงบนะแต่ต่อไปมันจะกลายเป็นความสว่างสว่างเพราะความรู้สึกตัวและต่อไปก็กลายเป็นความสว่างเพราะ รู้เห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งจนสามารถที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้เมื่อไม่ยึดติดถือมั่นกับสิ่งใดนะใจก็เป็นอิสระแล้วก็เป็นได้เข้าถึงความสุขที่เป็นความสงบอย่างแท้จริงให้เรามารู้จักกับความสุขความสงบอย่างนี้กั น, นตั้งแต่เนิ่นๆอย่าไปรอให้มีความทุกข์เป็นตัวผลักดัน พอถึงนั้นถึงตอนนั้นก็อาจจะไม่พร้อมหรือไม่ไหวแล้วหรือจอะไปรอให้บรรลุถึงความไฝ่ฝันความสำเร็จก่อนจึงค่อยมาได้คิดเพราะอาจจะไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ได้อย่างนี้ก็พูดเท่านี้นะเอากลับครับ